สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทซในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับวันนี้จะขอนําชีวประวัติของหมอชีวโกโกมารพัฒอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับหมอชีวโกโกมารพัฒเป็น บุรพาจารย์คืออาจารย์ในเบื้องต้นที่บรรดาผู้เป็นหมอให้ความเคารพนับถือความเป็นอาจฉริยแพทย์คือแพทย์ผู้มีความอัศจรรย์ที่เดียวในการรักษาและก็เป็นผู้รักษาเก่งที่สุดโดยสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องตรงตามสมุดฐานคือที่เกิดของโรคและวางยาบบัดโรคได้ ตรงกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่นั้นจนทำให้หายขาดได้และท่านยังได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะอีกด้วยนับเป็นแพทย์แบบอย่างที่สร้างจัญญาบันของแพทย์ไว้เป็นต้นฉบับครับชีวประวัติในอดีตชาติของหมอชีวกโกมารพัต มีอยู่ในอัจถกถาคำพีมโนรัฐปุรณีและในอัจถกถาคำพีตัติยสมันตะปาสาธิกาดังนี้ในพุทธการของพระปทุตระสั ม, มาสัมพุทธเจ้าโดยนับเวลาถอยหลังย้อนกลับไปจากพัทธกับนีได้หนึ่งแสนกับท่านได้เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีสกุลสกุลหนึ่งในเมืองหงสวดี วันหนึ่งเมื่อท่านเจริญวัยใหญ่โตแล้วได้ไปฟังประธรรมเทศนาของพระปทุมตรระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิ่ ก, กว่าอุบาสกทั้งหลายฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคลในฐานะผู้เป็นแพทย์และเป็นผู้ทาหน้าที่อุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคเจ้า โดยมีคุณความดีแผ่ไปในบริษัททั้งสี่ว่าหมอนี้เป็นพุทธอุปถาคคือเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าท่านจึงคิดว่าทำอย่างไรน้อเราจะพึงได้ฐานันดรศักยนนี้บ้างแล้วท่านจึงจัดการถวายทานแก่พระพิสุสง่งมีพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง เป็นประมุกอยู่ตลอดเจวันด้วยกันนะครับเมื่อท่านถวายทานในวันที่เจเสร็จเรียบร้อยแล้วจิงถวายบองคมพระปมุมตระสัมมาสมพุทธเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตการขอข้าพระองค์ได้เป็นพุทธอุปถากบ้างเหมือนอย่างคุณหมอคนโน้น ที่ได้เป็นอุปถาของพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะและการต่อจากนั้นมาท่านก็ได้กระทำความดีสึกเนื่องมาอีกนะครับคือไม่จะทำเจวันแล้วเลิกอันนี้เป็นลักษณะของท่านผู้ที่ปรารถนาอยากจะได้ตำแหน่งเอตทะฆะท่านจะมีจิตมั่นคงอยู่ในบุญกุศลทนั้นนะครับนับจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยว่าจะสำเร็จน ท่านท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาและเกิดเป็นมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานหนึ่งแสนกับครับแล้วได้กลับมาเกิดในครรภ์ของหญิงแพทย์สยาผู้มีชื่อว่าสารวดีนะครับนี่เป็นคุณแม่ของหมอชีวกโกมารพัฒชีวประวัติในปัจจุบันชาติของหมอชีวกโกมารพัมีกล่าวไว้ในบาลี จีวรขันธกะคัมภีมหาวรคพระวินัยปิฎกในอัตถกถาคัมภีตติยสมันตะปาาฎิกาที่ขยายความบาลีจีวรขันธกะคัมภีมหาวรคพระวินัยปิฎกนั้นและในอัตถกถาคัมภีมโนรัฐปุรณีแต่ในที่นี้จะขอกล่าวตามเนื้อความในบาลีจีวรขันธกะนั้นความว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ธรรมะทั้งป่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประทับอยู่ที่วัดพระเวรวันมหาวิหารเขตเมืองราชฤก์ในครั้งนั้นเมืองเวสาลีหรืออีกนามหนึ่งก็ไผยสาลีนะครับเป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างใหญ่ไพศาลมีประชาชนมากมีผู้คนเกลื่อนกลนมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท 7,707 หลังมีเรือนยอด 7,700 หลังมีสวนดอกไม้ 7,700 แปลงมีสะบกครณีคำว่าสะบกครณีนี่เป็นสะที่คนขุดขึ้นนะครับก็มี 7,700 สะและมีงามเมืองคนหนึ่งชื่ออัาพปาลี นางเป็นสตรีผู้เร่โฉมหน้าดูหน้าพอใจนางผิวมีผิวพรรณผุดพองเฉิดฉายยิ่งนักทั้งนางเป็นผู้เก่งในการพนรำขับร้องและดีสีตีเป่าบุคคลทั้งหลายที่มีความต้องการพา น, นางไปร่วมอภิรมด้วยต้องจ่ายค่าตัวคืนละห0สิบกะหาปณะนะ กะหัปณะนี่ก็เทียบกับเงินไทยหนึ่งกะหาปณะก็ประมาณสี่บาทนะครับเมืองเวสาลีดูสวยงามยิ่งขึ้นด้วยนางอัมพปาลีหมายถึงหญิงประเภทนี้มีชื่อว่านครโสเพนีแปลว่าหญิงผู้กระทำพระนครให้งามหรือ เรียกสันส้นๆว่าหญิงงามเมืองครั้งหนึ่งพวกกุดุมพีชาวเมืองราชคฤิคณะหนึ่งได้เดินทางไปที่เมืองเวสาลีด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างใหญ่ไพศาลมีผู้คนเกลื่อนกลนขับขัง่งมีอาหารหาได้ง่ายมีประาสาัตและเรือนยอดมากมายตรการตา มีสวนและสะโบกขรนีและมีนางอัมพปาลีเป็นสตรีที่ทำให้เมืองเวสาลีสวยสดงดงามขึ้นไปอีกพวกเขาก็จึงคิดที่จะทำให้เป็นเหมือนกับในเมืองไพยซาลีเนี่ยจึงจะนำเอามาทำที่เมืองราชฤกและก็ให้มีหญิงเช่นนี้บ้างเมื่อพวกกรุมพีเหล่านั้น กลับมาถึงเมืองราชคลึกแล้วจึงพากันเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของเมืองเวสาลีและกราบบังคมทูลขอให้ทรงตั้งหญิงงามเมืองขึ้นเหมือนอย่างเมืองเวสาลีที่พวกตนได้ไปพบเห็นมาพระเจ้าพิมพิสารตรัสอนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเลือก หากุมารีผู้มีลักษณะงามเช่นนั้นแล้วตั้งให้นางเป็นหญิงงามเมืองสมัยนั้นในเมืองราชครึมีกุมารีคนหนึ่งชื่อว่าสาราวดีนางเป็นสตรีผู้เลอโฉมสักราร์ตาหน้าเสน่หาทั้งเป็นผู้มีผิวพรรณเฉิดฉายยิ่งนักคณะกรุมพีชาวเมืองราชครึจึงได้ตั้งนาง สาลวดีกุมารีเป็นหญิงงามเมืองประจำเมืองราชครัข้า น, นางสาลวดีได้รับเลือกเป็นหญิงงามเมืองแล้วนางจึงฝึกฝนจนมีความสามารถฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าและได้มีคนมาจ้างนางไปร่วมอภิรม์คืนละหนึ่งร้อยกหาปณะนะนี่ก็เป็นลักษณะของ ยิ่งงามเมืองในครั้งกระโน้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกับในปัจจุบันเพราะยิงงามเมืองที่จะทำให้คนเขามีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่เพียงการร่วมอภิรมย์อย่างเดียวก็จะมีการฟ้อนรำขับร้องแสดงกิริยาให้เห็นว่ามีความสวยงามยังไงเพลิดเพลินตาด้วยเสียงร้องด้วยการฟ้อนราให้ได้ชมถ้วยนะครับข้านางสารวดี ได้รับหน้าที่เป็นหญิงงามเมืองประจำเมืองราชครึกแล้วปรากฏว่านางรับจ้างเป็นนางบําเรอต่อมาไม่นานนางก็มีคันขึ้นมาและนางจึงคิดว่าธรรมดาหญิงมีคันย่อมไม่เป็นที่พอใจของบุรุษทั้งหลายถ้ามีผู้รู้ว่าเรามีคันรายได้ของเราก็จะตกลงไปเราควร จะบอกว่าเป็นไข้พอนางคิดได้ดังนี้เพื่อปิดบงังจึงสั่งนายประตูไว้ว่านี่แน่นายประตูท่านอย่าให้ใครเข้ามาถ้าใครถามถึงเราจรงบอกว่าเราเป็นไข่นะจ้ะนายประตูได้รับคําและกระทําตามคําสั่งของนางสาลวดีเรื่อยมาจนกระทั่งนางมีคันแก่ และได้คลอดลูกออกมาเป็นชายธรรมดาของพวกหญิงนครโซเพณีหรือว่าหญิงงามเมืองเนี่ยเวลานางมีลูกผู้หญิงจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อสืบเชื้อสายของพวกนางต่อไปแต่ถ้ามีลูกเป็นผู้ชายนางจะยกให้คนอื่นไปหรือไม่ก็นำไปทิ้งเสียในขณะที่ยังเด็กๆ และจะมายอมเลี้ยงดูผู้ชายไว้โดยเหตุนี้นางสาราดีคลอดลูกออกมาพอรู้ว่าเป็นผู้ชายนางจึงสั่งทาสีว่านี่แนะ่สาวใช้เธอจงนําทารกนี้ใส่กระด้งเก่าๆไปทิ้งที่กองขยะทาสีรับฟังคําสั่งแล้วจึงนําทารกนั้นใส่ลงในกระด้งเก่า และได้นำไปวางไว้ที่กองขยะบัง เ, เอิญในเช้าวันนั้นเจ้าชายอภัยกำลังเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพระชิบิดาได้เสด็จผ่านมาทางกองขยะนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นทารกที่มีฝูงกาหอมล้อมอยู่ จึงตรัสถามมหาดเด็กว่านี่แน่พนายภู้ง่ารุมตอมอะไรอยู่คําว่าพนายนี่นะครับก็เป็นคําที่น่ารู้จักไว้คําหนึ่งเหมือนกันเป็นคําของโบราณท่านใช้นะครับพนายนี่ก็เป็นคําคุ้นนางผู้ใหญ่เรียกผู้ดีที่อยู่ในบังคับของตนนะครับก็คือพูดกับลูกน้องของตนจะใช้คํา นำมาว่าพนายครับเมื่อเจ้าชายอภัยตรัสถามอย่างนั้นมหัดเล็กกราบทูลว่าฝูงกากำลังตอมทารกอยู่พะยาคะเจ้าชายอภัยตรัสถามว่าทารกยังมีชีวิตอยู่หรือมาหาดเล็กกราบทูลว่าทารกยังมีชีวิตอยู่พะยาคะเจ้าชายอภัยจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้น จงนำทารกนั้นไปที่วังของเรามอบให้แก่พวกแม่นมเลี้ยงไว้บุคคลเหล่านั้นรับสนองพระบัญชาแล้วก็นำทารกนั้นไปอย่างวังของเจ้าชายอภัยและมอบให้พวกแม่นมเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีเขานีมาดูความเป็นมาแห่งชื่อของทารกโดยได้ถือ เอานนมิต ท, ที่เจ้าชายอภัยตรัสเรียกว่าชีวกะคืออ่านลักษณะของบาลีจะอ่านว่าชีวกะนะครับมีความหมายว่ายังมีชีวิตอยู่บุคคลทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้ทารกนั้นว่าชีวกหรือชีวกะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะอ่านว่าชีวกครับชีวกนั้นเป็นผู้ที่เจ้าชายอภัยรับสั่งให้เลี้ยงดูไว เขาจึงได้ตั้งนามสกุลว่าโกมารพัทมีความหมายว่ากุมารส่งชุบเลี้ยงก็หมายถึงชีวกเนี่ยได้มีเจ้าชายอภัยถึงเป็นพระกุมารของพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีต่อมาเมื่อชีวกโกมารพัทรู้เรียงสาได้ไปเล่นกับพวกเด็กหลวงพวกอื่น พอเกิดทะเละาะเบาะแววงกันขึ้นพวกเด็กหลวงเหล่านั้นย่อมว่ากล่าวชีวโกมารพัทว่าเจ้าลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อและในเวลามีงานมหมอระพหรืองานเทศกาลต่างๆญาติาทั้งหลายมีน้าและป้าเป็นต้นย่อมส่งของขวัญวางสิ่งบางอย่างไปให้แก่พวกเด็ก พวกเด็กเ่าอื่นเนี่ยสามารถที่จะได้รับของขวัญจากหมู่ญาติของตนที่เป็นบุญญาเนี่ยส่งมาให้หรือนํามาเยี่ยมแต่ชีวโกโมารพัทไม่เคยได้รับของขวัญอย่างใดอย่างหนึ่งจากใครๆที่จะนับว่าเป็นญาติกับเขาเลยเหตุเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ชีวโกโมารพัทคิดถึงตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีแม่แน่นอนเหลือเกิน หรือว่ายังไงอยู่ยังเป็นความรังเลอแต่ก็คิดว่าเออเราไม่มีแม่หรือแล้วเขาจึงกราบทูลถามเจ้าชายอภัยว่าใต้ฝ่าพระบาทใครเป็นมารดาบิดาของกล้าวกระหม่อมพระเจ้าค่ะเจ้าชายอภัยตรัสตอบว่าชีวกเราไม่รู้จักมารดาของลูกแต่ว่าเรา เป็นบิดาของลูกเพราะเราได้ให้เลี้ยงดูลูกมาจนเติบโตนี้ชีวโกมารพัวามทราบความจริงแล้วได้มีความคิดเห็นว่าราชตระกูลทั้งหลายไม่ใช่เป็นการง่ายที่คนไม่มีศิลปะวิทยาจะเข้ามาพึ่งพระบารมีเราควรจะเรียนศิลปะวิทยาไว้จึงจะเป็นการดี คือต้องการที่จะหาความรู้เอาไว้เพื่อช่วยตัวเองนั่นแหละครับแต่เขามีความคิดเห็นถึงศิลปะที่จะพึงร่าเรียนว่าหัตถิศิลหมายถึงศิลปะที่เกี่ยวกับช้างและอัศวศิลศิลปะที่เกี่ยวกับม้าเป็นต้นเหล่านี้นับเป็นศินลปะสำหรับใช้เบียดเบียนผู้อื่นส่วนแพทยศิล ศิลปะการเป็นแพทย์หรือการเป็นหมอนี่มีเมตตาเป็นเบื้องต้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราควรจะเรียนวิชาแพทย์ไว้ในสมัยนั้นมีพวกพ่อค้าชาวเมืองตักกศิลาชื่อเมืองหลวงของแคว้นขันธาระบัดนี้อยู่ใน เขตราวันปินดีในแคว้นปัญจับประเทศปากีสถานพวกพ่อค้าชาวเมืองตากศิลาได้เดินทางมาที่เมืองราชครึเพื่อเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยชีวโกโมารพัน์ซึ่งมีความสนใจในวิชาอยากจะได้เรียนรู้อยู่นั้นก็คิดอยู่เสมอว่า เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เมื่อไหรเนาะฉะนั้นพอชีวโกมารพัฒเห็นพวกพ่อค้าที่มาจากต่างเมืองก็จึงไปถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านมาจากไหนครับพวกพ่อค้าตอบว่า พวกข้าพเจ้ามาจากเมืองตักกศิลาชีวโกโมรพัฒถามต่อไปว่าท่านทั้งหลายครับในเมืองตักกศิลาเนี่ยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาแพทย์ใหม่ครับพวกพ่อค้าตอบว่าดูก่อนกุมารมีแพทย์ผู้เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกได้ตั้งสำนักอยู่ในเมืองตักกศิลา คำว่าทิสาปามโมกนี้คืออาจารย์ผู้เป็นประธานในทิศหรืออาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับจึงได้นามว่าทิสาปามโมกครับท่านชีวกโกมารพัฒได้ทราบว่ามีในแพทย์ตั้งสํานักสอนวิชาแพทย์เช่นนั้นแล้วเขาจึงสั่งพวกพ่อค้าเหล่านั้นว่าถ้าถึงเวลาที่พวกท่านจะกลับไปขอพวกท่านช่วยบอกกระผมด้วยนะ เถิดครับพวกพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้กระทําตามคําที่ชีวโก โ, มมวโกโมารพัทสั่งไว้ชีวกโกมารพัทไม่ได้กราบทูลลาเจ้าชายอภัยพระบิดาเลยหอบเดินทางไปกับพวกพ่อค้าเหล่านั้นโดยเดินทางรอนแรมไปเป็นลําดับจนกระทั่งถึงเมืองตักศกิลาแล้วจึงเข้าไปหานายแพทย์ผู้เป็น อาจารย์ที่สาป่าโมกนายแพทย์ได้เห็นชีวโกโกมรพัทเข้ามายัางสำนักของท่านจึงถามว่าพ่อคุณพ่อคุณเป็นใครกันเล่าชีวโกโกมรพัทกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ครับกระผมเป็นนัดดาคือเป็นหลานของพระเจ้าพิมีสารบรมมกษัตริย์และเป็นบุตรของเจ้าชายอภัยครับนายแพทย์ถามต่อไปว่า มีเหตุอะไรหรือพ่อจึงมาที่นี่ชีวโกโมารพัฒน์กราบเปลี่ยนตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมมาที่นี่เพื่อจะขอศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักของท่านข้าแต่ท่านอาจารย์ครับกระผมมีความประสงค์จะศึกษาศิลปะวิทยาเกี่ยวกับแพทย์ขอรับนายแพทย์ผู้เป็นอาจารย์กล่าวว่า ชีวกถ้าเธอประสงค์จะศึกษาก็จงศึกษาเถิดก็เป็นอันว่าชีวโกมารพัฒนได้รับอยู่ในสำนักของนายแพทย์เพื่อที่จะให้เรียนศิลปะวิทยาในทางเป็นหมอนะครับอันหนึ่งสิทธิมาศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์ในยุคนั้นนะครับได้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ ประเภทดึงเป็นผู้ที่เสียค่าศึกษาเ ร, าเรียนให้แก่อาจารย์สิทธิประเภทนี้เป็นบุตรของผู้มั่งมีเงินทองเช่นเป็นราชบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีเป็นบุตรของอัมมาดเป็นบุตรของกุลุมพีเขาเสียเงินค่าศึกษา เ, าเรียนให้แก่อาจารย์แล้วไม่ต้องกระทำการงานอะไรให้อาจารย์เลย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 2. สิทธิประเภทไม่เสียเงินค่าศึกษาเร้าเรียนให้แก่อาจารย์สิทธิ์ประเภทนี้อาจเป็นบุตรของผู้ยากจนขัดสนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่หนีพ่อแม่มาศึกษาเร้าเรียนอย่างเช่นชีวโกโมารพัฒไม่มีเงิน จะเสียค่าศึกษาเราเรียนให้แก่อาจารย์แต่ก็สามารถจะเรียนได้โดยต้องกระทำการงานให้อาจารย์เพื่อเป็นค่าศึกษาเราเรียนโดยสิทธิประเภทนี้ต้องแบ่งเวลาเป็นสองช่วงคือช่วงหนึ่งเป็นเวลากระทำางานให้แก่อาจารย์อีกส่วนหนึ่งจึงเป็นเวลาศึกษาเราเรียนศิลปะวิทยา ชีวโกโกมารพัฒนในฐานะที่หนีจเจ้าชายอภัยซึ่งเป็นพระบิดาเลี้ยงไปก็ไม่มีเงินติดตัวไปเลยได้ตกอยู่ในจำพวกสิทธิประเภทที่สองคือต้องกระทำการงานช่วยอาจารย์ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็ไปศึกษาเรา่เรียนความรู้นั้น ในสมัยที่ชีวโกโมารพัฒได้มาศึกษาเร่าเรียนศิลปวิทยาที่เมืองตักศกิลานีเขามีอายุได้16ปีแต่เป็นผู้มีปัญญาดีแม้จะต้องกระทำกิจการงานและเรียนด้วยเรียกว่าทั้งเรียนทั้งทำงานเนี่ยก็สามารถเรียนวิชาได้มากเรียนได้เร็วมีความเข้าใจดีด้วย และวิชาที่เรียนแล้วย่อมจำได้แม่นยำไม่มีความหลงลืมเดือนเลยอันนี้ก็นับว่าเป็นอจัจฉริยภาพอันหนึ่งในด้านปัญญาของหมอชีวกโกมารพัฒนนะครับคือเป็นผู้มีสติปัญญาดีสามารถที่จะจดจำวิชาการต่างๆที่นายแพทยอ์อาจารย์สั่งสอนนั้น ท่านหมอชีวโกโมารพัฒเนี่ยสู่สาหภาคเพียนเรียนวิชาแพทย์ผ่านมาเป็นเวลาได้เจ็ดปีแล้วนะครับก็สามารถเรียนวิชาอาการเท่าที่อาจารย์มีความรู้อยู่ทั้งหมดนั้นได้แต่วิชาการสาขานี้บรรดาศิษย์คนอื่นต้องใช้เวลาเรียนถึง16ปีจึงจะจบหลักสูตรแต่ว่า ชีวโกมารพัฒ ศ, ศึกษาเพียงแค่เจ็ดปีก็ดูว่าจะมีความรู้พอสมควรชีวโกมารพัฒจริงมาคิดว่านี่เราเรียนวิชาโลกมาได้เจ็ดปีแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตนเองเรียนจบปรึกษแล้วหรือยังจิงคิดว่าเราเรียนวิชาได้มากเรียนได้เร็ว มีความเข้าใจดีและจำได้ไม่ลืมเลือนทั้งเราก็ได้เรียนมาถึง7ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จศิลปวิทยาขแขนงนี้เมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีเนอะนี่ก็เป็นความคำนึงนึกอยู่ในใจของชีวโกโมารพัฒที่ท่านตั้งใจเราเรีเรยนแล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองว่า ก็สามารถจดจําความรู้ที่เราเรียนจากอาจารย์ได้เป็นอย่างดีคือเป็นคนมีสติปัญญาดีไม่ใช่ได้น้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอย่างนั้นไม่มีเมื่อถึงตรงหน้าจําได้หลังก็จําได้จากไปเท่าไรอะไรผ่านไปเท่าไหรก็จําได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสติปัญญาของบุคคลเราไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าปัญญาตัวนี้เรียกว่าสชาติกับปัญญาคือปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับ ตัวเราเนี่ยเดียวเป็นปัญญาที่มีประจําอยู่ในตัวเรานี้ย่อมมีไม่เท่ากันบางคนเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเข้าใจอะไรได้รวดเร็วแต่เด็กบางคนเรียนได้ช้าหมายความว่ามีสติปัญญาค่อนข้างจะปัญญาทึบเขาเรียกปัญญาทึบหรือว่าปัญญาซามอะไรเนี่ยนะครับพวกนี้จะต้องใช้ความพยายาม ในการเราเรียนหนักเป็นสองเท่าของคนมีปัญญาดีเช่นคนปัญญาดีเขาเรียนหนึ่งเที่ยวท่องหนึ่งเที่ยวอ่านหนึ่งเที่ยวคนมีปัญญาไม่ดีนี่ก็ต้องเพิ่มอย่างน้อยเป็นสองสองเที่ยวสามเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับคนที่มีปัญญาไม่ดีกไ็ไม่ต้องนึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ต้องไปโยท้อครับเพราะว่าถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจ มีความใส่ใจนะครับตามหลักอินิบาตสี่ก็คือความพอใจมีความเพียรมีความสนใจมีความใส่ใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่นะครับอันนี้เป็นหัวใจของการศึกษาเราเรียนในการทำงานทุกอย่างถ้าบุคคลเราขาดวิริยะคือความภาคเพียรหรือไม่มีหัวใจของฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แล้วก็ สำเร็จยากครับไม่ว่าจะเป็นคนหัวดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนี้ใครจะมีสติปัญญาดีถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นนี่เป็นเกณฑ์ของคนโง่นะครับโตแต่ตัวเพราะเป็นคําที่นักปราชญ์ท่านประพันธ์เอาไว้น่าสนใจเหมือนกันว่าอะไรนะถ้าไม่เรียนรับรองต้องไม่รู้ถ้าไม่ดูรับรองต้องไม่เห็นถ้าไม่ทําขอรับรองต้องไม่เป็น นี่เป็นเกณฑ์ของคนโง่โ ต, โตแต่ตัวครับแต่ในทางตรงกันข้ามท่านก็ประพันธ์เอาไว้กันว่าถ้าถ้าเรียนขอรับรองเป็นต้องรู้ถ้าดูขอรับรองเป็นต้องเห็นถ้าทาขอรับรองต้องทาเป็นนี้เป็นเกณฑ์ของนักปราศฉลาดธรรมครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่โบราณท่านเอาไว้สั่งสอนคนที่อาจจะนึก ประมาทว่าเรามีสติปัญญาดีแล้วเราไม่ต้องเรียนมากก็สามารถรู้เท่าทันกับเพื่อนแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเขาเรียนอยู่เราไม่ได้เรียนวันนั้นน่ก็เป็นวันที่เราโง่หะครับเพราะเราไม่ได้รู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรแต่คนที่เขาขยันมันเพียรแม้สติปัญญาอาจจะด้อยสักหน่อยเขาเรียนในชั่วโมงนั้นในเวลานั้นเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันนี้อาจารย์สอนอะไร แต่คนที่มัวประมาทขาดการศึกษาเร้าเรียนในวันนั้นๆไปต้นเองก็เลยไม่รู้ว่าอาจารย์สอนอะไรชั้นความขยันมันเพียร น, นั้นจึงเป็นเข็มทิศอันหนึ่งสําหรับคนที่ตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือนะครับถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีความภาคเพียร น, นิบไม่ว่าวิชานั้นจะง่ายหรือไม่ง่ายเขาก็จะไม่มีความรู้หรอกครับเพราะเขาไมา่ได้เรียนนะครับจําเป็นเหลือกเกินที่ การเรียนวิชาการต่างๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเข็มทิศเอาไว้ในใจเลยว่าตายเสียขณะเพียรดีก็เรียนไม่จบเพราะคนที่มีความเพียรเนี่ยเขาไม่คิดว่าวิชานั้นยากวิชานี้ไม่ชอบเขาจะตัดปัญหาเ่านี้ออกไปบางคนเราจะเจอว่าถ้าเขาไม่ชอบวิชานี้เขาก็ไม่เรียนละ เขาชอบวิชานี้เขาจึงเรียนการคิดอย่างนี้เป็นการคิดผิดเพราะวิชาทุกวิชาที่เขาจัดมาสอนให้เราผู้เป็นคนศึกษาเราเรียนเนี่ยเขาก็ต้องดูผลประโยชน์ต่างๆแล้วว่าเมื่อเรียนวิชานี้จะได้ความรู้นี้ไปใช้ทางอะไรวิชานี้จะเกิดประโยชน์อะไรการศึกษาเราเรียน ผู้ที่จะทําตารางการสอนเขามุ่งดูผลประโยชน์ที่นักเรียนเรียนแล้วจะได้รับนะครับฉะนั้นใครจะมาคิดว่าวิชานี้ s ฉันไม่ชอบฉันไม่เรียนวิชานี้ s ฉันชอบฉันจึงจะเรียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดผิดนะครับเพราะความรู้ของท่านมันจะแคบแคบเพราะอะไรก็เพราะสมมุติเรามีวิชาอยู่2วิชาท่านชอบวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งท่านไม่ชอบเมื่อท่านไม่เรียนวิชาที่ไม่ชอบ ทัดก็งโง่ไปหนึ่งวิชาส่วนคนที่เขาเรียนทั้งสองวิชาเขาก็มีความรู้ทั้งสองด้านนั้นอันนี้เป็นกติกาหรือกฎง่ายๆที่เราจะใช้พิจารณาดูนะครับว่าการศึกษาเราเรียนนั้นอย่าไปนึกเกลียดวิชาอะไรนึกว่าวิชาเหล่านั้นมีประโยชน์เท่านั้นแหละครับแต่ว่าจะมีประโยชน์เมื่อไรขณะไหนนั้นก็ขึ้นกับการเวลาที่เราอาจจะมีโอกาสนาเอาไปใช้เมื่อไรได้ มีความรู้ดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีความรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์ทั้งนั้นในการถึกสาเราเรียนหาวิชาความรู้ใส่ตนไว้เพราะว่าวิชาความรู้นั้นไม่แย่งเรากินอาหารหรอกครับเราจะมีมากเท่าไรวิชาความรู้มีแต่จะให้เรามีอาหารการกินที่สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นนะครับมีความรู้เป็นเหมือนกับมีครูอยู่ ช่วยเตือนใจเราประจำนะครับแม่เราจะจากครูบาอาจารย์มานานอย่างไรก็ตามทีเมื่อเราสามารถรวบรวมความรู้ที่ครูสอนให้แกเราไวเนี่ยเราเก็บเอาไว้ได้เราก็สามารถจะนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในการที่เราต้องการจะใช้ครับ เขาี่มาถึงหมอชีวกในท่านก็เป็นคนมีสติปัญญาดีแล้วก็ท่านก็ตั้งใจเรียนด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านประมาทนะอาจารย์สอนวิชาอะไรท่านก็จดจําได้แล้วก็เข้าใจดีคือมันมีสองอย่างหนึ่งจำได้แต่ไม่เข้าใจว่าวิชาที่ครูสอนเนี่ยเหมือนกับสมุนไพรยอย่างเนี้ยจะนำเอาไปใช้แก้โรคอะไรแต่จําชื่อสมุนไพรได้ทั้งหมดเลยท่องกันเป็น เป็นคลุยเหมือนกับนกแก้วนกคุนทองอะไรที่ทันวนวานคล้องปากแต่ไม่สามารถจะรู้บูนฐานของยาอันนั้นจะไปแก้โรคอะไรคือสปปรรพคุณของยาที่นจะนำไปใช้เนี่ยเพื่อแก้โรคอะไรบางทีจาไม่ได้เรารู้จักสมุนไพรกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้จะใช้แก้โรคหรือบำบัดโรคอะไรได้แต่หมอชีวกนี่ท่าน เข้าใจหมด2อย่างคือจำตัวยาหรือสมุนไพรได้หมดแล้วการวิเคราะห์โรคท่านก็สามารถจะนำเอาสมุนไพรที่ท่านเรียนรู้แล้วเนี่ยไปใช้แก้โรคต่างๆได้หมดฉะนั้นเวลาเจปีที่ท่านเรียนมาเนี่ยท่านก็ดูเป็นเวลา น, านานพอสมควรนะครับก็จึงเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็ถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับ กระผมเรียนวิชาได้มากเรียนได้เร็วมีความเข้าใจดีและจำได้ไม่ลืมเดินเลยทั้งกระผมได้เรียนมาเจ็ดปีก็ยังไม่สำเร็จเมื่อไรจะสำเร็จสักทีครับนายแพทย์ผู้เป็นอาจารย์ตอบว่าดูก่อนฉีวกถ้าเช่นนั้นเธอจงถือเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตักศิลาโดยเดินให้ห่างตัวเมือง ออกไปข้างละหนึ่งโยน์เธอจงตรวจดูสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาจงขุดสิ่งนั้นมาให้อาจารย์ดูชีวโกโมรพัต์ได้กระทําตามถ้อยคําของอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเขาก็ได้เที่ยวไปรอบเมืองกะตกะกศิลาในระยะทางข้างละหนึ่งโยชหนึ่งโยตดด์้วยทาน เทียบมาตราไว้เท่ากับ400เส้นหรือถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ได้16กิโลเมตรนะครับเป็นระยะทางที่ไกลเที่ยวแต่เมื่อชีวโกมาราพัฒ์ได้เที่ยวไปตามระยะทางห่างไกลาจากตัวที่ท่านศึกษาอยู่นั่นจากโรงเรียนก็ปรากฏว่ามาตรวจ ด, ดูสิ่งไหนต้นไม้ชนิดไหนต่างๆที่ผ่านไปก็ดูเรื่อยไป ปรากฏว่าเห็นต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวยาทางนั้นเลยก็จึงกลับมาหาอาจารย์แล้วก็กราบเรียนให้หนายแพทย์อาจารย์ทราบว่าท่านอาจารย์ครับกระผมได้เดินไปรอบเมืองตากาสิลาในาระยะหนึ่งโยแล้วคือประมาณ46กกิโลเมตรแล้วมิได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวยาเลยครับ นายแพทย์ภูเป็นอาจารย์จึงบอกว่าดูก่อนชีว์เธอศึกษาจบแล้วสําเร็จแล้วเท่านี้ก็พอที่จะเลี้ยงชีพดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วอาจารย์ก็ได้ให้สเสบียงเดินทางแก่หมอชีว์เพื่อเดินทางกลับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองสาเหตุที่ท่านอาจารย์ได้ให้สเสบียงเดินทาง แก่แม่หมอชีวกเพียงเล็กน้อยนี้ก็มีเหตุผลอยู่การให้สเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยแก่ชีวกโกมารพัฒนเพราะท่านได้มีความคิดเห็นว่าชีวกนี้เป็นบุตรของตระกูลใหญ่พอกลับไปถึงตระกูลจะได้สาการะมากมายจากสํานักพระบิดาและพระเจ้าปู่ และเขาจะไม่รู้คุณของเราหรือศิลปะวิทยาแต่ถ้าเขาหมดสเสบียงในกลางทางแล้วจำเป็นต้องใช้ศิลปะวิทยาเลี้ยงชีพเขาจะรู้ซึ้งถึงคุณของเราและศิลปะวิทยาอย่างแน่แท้คำว่าสเสบียงนะครับท่านบุฟังอยากจะ อธิบายสักนิดหนึ่งสเบียงนี่ก็คืออาหารที่จะเอาไปกินในระหว่างเดินทางไกลแต่มีคําอีกคำหนึ่งเติมคําว่าสเบียงกลางเข้ามานะครับคําว่าสเบียงกลางก็คืออาหารรองรังหรืออาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไปกินได้นานอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าสเบียงกลาง เช่นการกระทําปลาเค็มเนื้อเค็มเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นไม่มีอะไรจะรับประทานก็จะเอาเสเบียงกลางพวกนี้มาทํากับข้าวรับประทานได้ครับแล้วความคิดของอาจารย์ผู้เป็นนายแพทย์นี่ท่านก็คิดลึกซึ้งเหมือนกันนะคิดลึกซึ้งถึงกลัวว่าสิทธิที่ได้มีความรู้ไปจากสํานักของท่านแล้วเนี่ย อาจจะลืมครูบ า, าอาจารย์ก็ได้แต่เหตุตรงนี้ก็เห็นจะมีอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันคือบุคคลบางคนพอไปได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมครูบ า, าอาจารย์ไม่ได้หันหลังกลับไปดูครูบ า, าอาจารย์ของต้นเลยว่าท่านมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรบ้างท่านมีความทุกข์พอจะช่วยเหลือท่านได้บ้างไหมหรืออะไรเหล่านี้เป็นตน้นบางคนลืมเลยลืมครูบ า, าอาจารย์หมดเลย ฉะนั้นนายแพทย์อาจารย์ผู้นี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความคิดเตือนสติลูกศิษย์ให้รู้จักคิดว่าวิชาความรู้ที่ได้ไปจากสำนักของท่านแล้วเนี่ยก็อย่าลืมครูบาอาจารย์เสียฉะนั้นจึงให้สบียงในการเดินทางเนี่ยเพียเล็กน้อยเกรงว่าเดินทาไปไม่ตลอดหรอกสบียงนี้จะหมดแล้วก็ ชีวโกโมารพัทเนี่ยจะได้นำวิชาความรู้ที่เรียนไปจากสมักของท่านเนี่ยเอาไปใช้รักษาพยาบาลแล้วก็จะได้ขวัญเข้าข่ายาอะไรมาจับจ่ายใช้สอยต่อไปฝ่ายชีวโกโมารพัทก้มลงกราบลาอาจารย์และถือสเสบียงเล็กน้อยที่อาจารย์ให้แล้วจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปเมืองราชครึกแต่เมื่อชีวโกโมารพัท เดินทางมาได้ระยะหนึ่งสเปียงเล็กน้อยที่ท่านอาจารย์ให้มานั่นก็หมดลงที่เมืองสาเกต์คือพอมาถึงเมืองสาเกตนี่หมดเลยสบียงเมืองสาเกตนี่ก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทางที่จะต้องไปอีกไกลก่อนจะถึงเมืองราชฤกนะครับเขาจึงเกิดนึกเป็นทุกข์หนักใจขึ้นมาว่าขนทางเหล่านี้เป็นทางกันดาน อาจจะคัดน้ําอาจจะคัดอาหารคนไม่มีสเสบียงยากที่จะเดินทางผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหาสเสบียงทางเตรียมการเอาไว้ที่กอดคือเตรียมไว้ล่วงหน้าดีกว่ามาตามแก้ให้ภายหลังในคราวที่ชีวโกโกมารพัฒมาถึงเมืองสาเกตเนี่ยในเมืองสาเกตมีภรรยาของท่านเศรษฐีได้เป็นโรค ปวดศิษะมาเจดปีแล้วแล้วก็มีนายแพทย์ที่เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกใหญ่ๆหลายคนได้เคยมารักษาก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้มีแต่มารักษาแล้วก็ขนเอาเงินค่ารักษาไปเป็นจำนวนมากที่วโกมารพัฒน์ได้ไปที่เมืองสาเกต ไต่ถามคนทั้งหลายเรื่อยไปว่าดูกอนท่านทั้งหลายใครเจ็บใครบ้างข้าพเจ้าจะรักษาให้ก็เรียกว่าเดินตามหาคนไข้แหละก็เท่าเดินตามหาเรื่อยๆไปก็ไปเจอบุคคลกลุ่มหนึ่งที่รู้ว่าภรรยาของท่านเสถีป่วยอยู่บุคคลเหล่านั้นก็จึงบอกกับท่านหมอชีวกอมรพัฒว่าท่านอาจารย์ภรรยา ของเศรษฐีป่วยเป็นโรคโปษิสะมาเจปีแล้วเชิญท่านปรักษาภรยาของท่านเศรษฐีเถิดหมอชีวโกโกมารพัฒได้ไปที่นิเวศของท่านเศรษฐีแล้วก็บอกกับนายประตูว่าท่านจงไปกราบเรียนภรยาของท่านเศรษฐีว่าคุณนายครับมีหมอมาแล้วเขามีความประสงค์จะเยี่ยมคุณนายครับ นายประตูฟังคำของหมอชีวโกโกมารพัฒนแล้วก็ได้ไปกราบเรียนให้ภรยาเศรษฐีทราบภรยาเศรษฐีถามนายประตูว่าดูก่อนนายประตูแพทย์นั้นนเป็นคนหนุ่มรูปเป็นคนแก่สักเพียงไหนอย่างไรนายประตูกราบเรียนตอบว่าคุณนายครับแพทย์นั้นยังหนุ่มอยู่ครับ ภริยาเศรษฐีกล่าวปฏิเสธว่าอย่าเลยนายประตูแพทย์หนุ่มๆจะรักษาฉันให้หายได้อย่างไรแพท ย, ย์ใหญ่ๆนายแพทย์ที่เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกหลายคนมารักษาฉันก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้มีแต่มาขนเอาเงินขวัญข้าวค่ารักษาไปเป็นจํานวนมากนายประตูก็จึงได้กลับออกไปบอกกับหมอชีวโกโกมารพัฒ ตามคําปฏิเสธของภรรยาเศรษฐีหมอชีวโกโกมารพัฒน์จึงได้กล่าวกับนายประตูว่านายประตูท่านจงกลับไปกราบเรียนภรยาของท่านเศรษฐีให้ทราบใหม่เถอะว่าคุณนายครับหมอสั่งมาอย่างนี้ว่า ขอคุณนายยังไม่ต้องให้อะไระไรก่อนที่โรคจะหายต่อเมื่อโรคหายแล้วคุณนายประสงค์จะให้รางวัลสิ่งใดจึงค่อยให้รางวัลสิ่งนั้นนี่ก็เป็นคำที่หมอชีวต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครมีความสามารถแค่ไหน การยังไม่รู้จักมักคุ้นกันเนี่ยก็เป็นที่ไม่ค่อยไว้วางใจของบุคคลที่จะมารู้จักกับเราหรอกครับเพราะที่โบราณบอกว่ายังไม่คนเป็นคนยังไม่รู้จักนอนปลายเท้ามาจากไหนฉนั้นเราผู้มีความรู้ความสามารถก็จะต้องมีความอดทนด้วยนะครับคือมีใจหนักแน่นไม่หุนหันพลันแล่นเอาใจตนเองไปที่จัง้ง ต้องใช้ความอดทนหาเหตุผลจากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีเรื่องเนื่องมาจากอะไรเหมือนกับจากหมอชีวกโกมารพัฒน์ในท่านก็รู้ว่าอ๋อพวกหมอต่างๆมารักษาแล้วก็ทำให้คุณนายท่านจ่ายเงินประจำนวนมากมายแต่โรคไม่หายฉะนั้นหมอชีวกก็จริงคิดได้ทันทีว่าก็เราให้คำมั่นสัญญาเชก่อนเลยดีกว่าว่า ถ้ารักษาไม่หายก็ไม่รับค่ายาหรือขอนข้าวค่ายาเหล่านี้เป็นตน้นต่อเมื่อรักษาหายแล้วจะให้รางวัลเท่าไรเท่าไรก็ให้มาก็เรียกว่าไม่ตีราคาก่อนไม่ตีราคาค่ารักษาพยาบาลเลย mm hmm. เพียงแต่ว่าขอรักษาก่อนถ้าหายก็จริงจะรับขอนข้าวค่ายาไปแล้วก็สุดแท้แต่จะให้ด้วย ไม่ได้บังคับบัญชาว่าจะต้องเอาเท่านั้นเท่านี้นายประตูเมื่อได้รับฟังคำของหมอชีวกโกมารพัฒว่าให้ท่านรักษากรหายจึงรับค่ายาถ้าไม่หายก็ไม่รับเอาไปนายประตูก็เข้ามากราบเปลี่ยนภรยาเศรษฐีให้ทราบตามคำของหมอชีวกโกมารพัฒภรยาของท่านเศรษฐีจึงสั่งว่านายประตูถ้าเช่นนั้น จงเชิญคุณหมอเข้ามาที่นี่นี่ก็เป็นอันว่าความมุ่งหวังของหมอชีวโกโมารพัฒที่จะทดลองวิชารักษาคนไข้ดูในฐานะที่ตนเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วยังไม่รักษาใครหรือก็จะมาลองรักษาดูนายประตูพอได้ฟังคำคุณนายบอกเะนนั้นก็จึงไปบอก หมอชีวโกโกมารพัฒน์ว่าคุณหมอครับภรยาเศรษฐีขอเชิญท่านเข้าไปข้างในขอรับหมอชีวโกโกมารพัฒน์เข้าไปหาภรยาเศรษฐีเบื้องแรกเขาได้ตรวจดูความผันแปรอันเป็นอาการของโรคแห่งภรยาเศรษฐีและจึงบอกกับภรยาเศรษฐีว่าคุณนายครับกระผมต้องการเนยใสหนึ่งซองมือขอรับ ภรยาเศรษฐีจึงสั่งให้คนนำเนยใสยหนึ่งซองมือมาให้แก่หมอชีวโกโกมารพัฒ์หมอชีวโกโกมารพัฒ์จึง ห, หุงเนยใสยหนึ่งซองมือผสมกับยาต่างๆที่ตนรู้จักตัวยาอย่างดีเสร็จแล้วให้ภรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียงและให้นัดยานั้นเข้าทางจมกูกในขณะนั้นเนยใสยที่คุณนาย นัดเข้าไปทางจมูกนั้นได้พุ่งออกมาทางปากภริยาเศรษฐีก็บ้วนเนยใสใส่ลงในกระโถนหลังจากบ้วนเนยใสใสกระโถนแล้วจึงสั่งพวกทาสีว่านี่แน่แม่สาวใช้เธอจงใช้สำรีซับเนยใสนี้ไว้หมอชีวโกโกมารพัฒ แลเห็นการกระทำในครั้งนี้แล้วจึงคิดว่านับเป็นการน่าแปลกประหลาดจริงแม่บ้านคนนี้ช่างสกปกรกเหลือเกินเนยใสยนี้เป็นของที่จะต้องทิ้งกลับใช้ให้ทาสีเอาสำรีซับไว้ส่วนยาของเรามีราคาแพงมากกว่าปล่อยให้เสียไปแม่บ้านคนนี้จะให้ขวัญข้าว ค่ายาอะไรแกเราบ้างเนาะนี่ก็เป็นความคิดที่อยู่ในใจแต่ว่าคงจะมีสีหน้าที่แสดงออกบอกก็เห็นว่ากำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่ครั้งนั้นภรยาเศรษฐีสังเกตดูเห็นกริยาอาการอันแปลกของหมอชีวโกโมารพัฒจึงถามว่าคุณหมอท่านมีความแปลกใจอะไรหรือหมอชีวโกโมารพัฒก็จริงเด กล่าวตอบไปตามความเป็นจริงตามวิจัยคิดนั่นแหละว่าเห็นว่าที่คุณนาท่านกระทําอย่างนั้นเน่เป็นการกระ ท, ทําที่ขี้เหนียวละ่ะพูดอย่างง่ายๆ่าอย่างนั้นนะก็กล่าวตอบไปว่าเวลานี้กระผมกําลังคิดว่านับเป็นการแปลกประหลาดมากจริงๆแม่บ้านคนนี้ช่างโศกกปรกเหลือเกินแม่เนยใสยนี้เป็นของจะต้องทิ้ง กลับใช้ให้ทาสีเอาสำรีซับไว้ส่วนยาของเรามีราคาแพงมากกว่าปล่อยให้เสียไปแม่บ้านคนนี้จะให้ขวัญข้าวและค่ายาอะไรแกเราว่างเนอะภรรยาเศรษฐีกล่าวชี้แจงเหตุผลว่าคุณหมอพวกริฉันเป็นแม่บ้านจำเป็นต้องรู้จักสิ่งที่ควรสงวนไว้หรือถนอมไว้ประหยัดไว้ เนยใสนี้ยังพอเก็บไว้ใช้ประโยชน์ดได้เช่นใช้เป็นยาสําหรับทาทา่าพวกทาสีหรือกรรมกรก็กได้ใช้เป็นน้ํามันเติมตะเกียงก็ได้คุณหมออย่าได้คิดวิตกอังบนหรือร้อนใจห่วงใ ย, ยในเรื่องนี้ไปเลยค่าขอนข้าวและค่ายาของคุณหมอจะไม่ลดน้อยลงไปเลยจ้ะท่านผู้ฟังครับ หมอชีวโกโกมารพัฒจะรักษาโรคข้องภรยาเศรษฐีหายหรือไม่แล้วท่านจะได้รับค่าจ้างมากน้อยเพียงไรอย่างไรนั้นก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดลงแล้วครับก็จาเป็นต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วไอ้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ